ใครมาปรุงแต่งให้เราโลภและใครมาปรุงแต่งให้เราหลงที่ก็เรียกอาหลงตัญหาสามอะคือกามาทันหาความพอใจอยู่ในในรูปรสกิริย์เสียงภาวะปัญหาความพอใจอยู่ในครบในชาติมี่ภาวะปัญหาความเพลิดทพาินไม่สิ้นสุดอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นนี่เป็นนั้นนั้นปรงแต่งไม่ได้เพราะจิตเราไม่สนใจจิตเรานิ่งอยู่กับภาวนาแปลว่าเจริญแล้ ว, ว, จ, ลวจิตเราจเจริญได้ด้วยธรรม นี่คือลักษณะของอของที่เรียกว่ามีธรรมอยู่ในมือหรือมีธรรมอยู่ในใจเราไม่ต้องไปมีธรรมอะไรมากมายอย่างที่เขามีอยากมีเป็ น, นกันหรอกถ้าไปมีอย่างนั้นเราจะเรียกว่าเดี๋ยวก็เสร็จนะเขาเรียกว่าคนมีธรรมไม่ใช่คนมีธรรมเลยเดี๋รรยกวก็เสร็จ ไปไปไปหลงกันอยู่ด้วยปัจจัยสี่บ้างไปหลงก็ด้วยโลกธรรมแอาโลกธรรมแดบ้างเพระเรืร่อราวด้วยสนเรินสุดผู้ปฏิบัติควรเข้าใจถึงลักษณะว่าการนั่งสมาธิได้อานิสงส์ได้ประโยชน์อย่างไรจริงๆอานิสงส์ของการนั่งสมาธิและการสุขฝังให้กายวิจาจิตเป็นธรรมนี่อานิสงส์ต่อไปสู่อนาคตที่เขาเรียกว่า ชาตนี้เจอทำเที่ยงและปฏิบัติตามทำเที่ยงไปเรื่อยๆไปแค่หน้าก็เจออีกเหมือนกับพระเจ้าท่านเจอเข้ามาุูชาุดูชาดดูชาดท่าก็สําเร็จอย่างนี้ท่าไม่ทิ้งนิสัยที่ท่านเจอคือทําเที่ยงคือทําที่หลีกเลี่ยงตามท่านเจอแล้วท่านทาเลยเอาแล้สังขารม่เพียงพอแปดสิทีก็ต้องสลายไปเป็นอนัตตาไปก็ไปเกิดกันใหม่ไปมีสังขารใหม่และประแสจิตที่เคยบวนเวียนอยู่กับุฏิกลาก็าเกิดขึ้นอีก พระไดกานิสงส์หรือว่าสิ่งที่เราได้รับก็ือหนึ่งเราได้เกิดเป็นมนุษย์ข้อประการทีสองสองนั้นแล้วมีพหุกัลป์คือความเป็นอยู่ของร่างกายที่สมบูรณ์เรียกว่าประจสริไม่ขัดแย้งข้อที่สามเราได้เจอกับพระพุทธธรรมพสงฆ์ที่เรียกว่าอ่าสนาที่ที่สอนธรรมเที่ยงเหมือนอย่างปัจจุบันที่เราเจอหรือจะทานวัฒนธรเราไปเจอประเภทลัทธิศาสนาที่ไม่ใช่ของพุทธเป็นยังไง เราไปศึกษาดูสิลัที่หรือศาสนาที่ไม่ใช่ของพุทธเป็นไงเขาสอนยังไงเขาให้เราไปทำอะไรเราก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับปลาที่อยู่ในมหาสมุทรมือนปลายอยู่ในทะเลไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีจุดไม่มีแต่สิ่งที่จะไปจะมาเรียกว่าเดินดทาง ส, สู่โลกที่เวิงมวางลายเหตุและผลเพราะ้า น, นนส้น3ข้อจ เ, เป็นของเราแน่ คือเราจะได้เกิดในสิ่งที่ดีต่อไปสู่อนาคตได้พบกับขันของของพระพุทธเจ้าได้พบกับเนธางพระเจ้าแล้วถ้าวลระสุดท้ายที่เรียกว่าเราถึงคือฟ้าสูงแผ่นดินต่ำกามถึงก็ถึงเองหมายความว่าชิดเราไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีแล้วเรื่องของ่ารมไ์ตัวกระทำเราก็จะได้พบกับสิ่งที่เราไม่เคยพบก็คือหนึ่งได้พบพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรกับพู้เผยพระเจ้าแล้วก็เลยเส็จเป็นสงฆ์แล้วคเนี่ยสามข้อที่เดียวมนุษย์พบยากก็จะต้องตายถ้ามอนไปอย่างนี้เนี่ยนหากเป็นคนใจดีหากเป็นคนคิดดีหากเป็นคนรู้จักคำรู้จักทำจัดปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยถึงวาระสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราหลักขณะเรียกว่าพระสังโฆพุทธิานั้นก็จะพบกันทิ้งพระสังโฆพุทธิยาประกอบไปด้วยสิ่งสามประการก็คือหนึ่งพระพุ้เผยพรเจ้า สองทางของพระพุทธเจ้าสามความสำเร็จของพระพุทธเจ้าที่ให้เราสืบสละนี่คือพระสังฆูปีญาติแต่เราไม่ได้ทำเขาด้วยจันหาหรือความที่เดียวทยานแต่ทาไปเรื่อยในขณะที่มีลมหายใจเข้าออกก็พยายามที่จะเมตตาให้อภยัยเมตตากรุณาให้อภัยกันและพยายามจะสวมดมนต์ไม่ตานั่งสมาธิเรื่อยไม่ว่าอยู่วัดหรือบ้านก็ทำไปเรื่อยๆทาเป็นคนใจดีไม่ ใ, ใจร้ายกับใครทั้งหมด จรงอยู่เมื่อก่อนทนิจจาใจร้ายเพราะเราไม่เข้าใจอะไรแต่เดี๋ยวนิจจเราเข้าใจดีแล้วแล้วเพราะเป็นคนใจดีขึ้นเนซาราโคลาให้อภัยกับบุคคลที่ไม่รู้อารมณ์ไม่ตัวกระ ท, ทําทำเท่เนี้แต่ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละเ้าเรียกว่าสะสมบา ร, รมีให้แก่ชีวิตของตนสู่อนาคตเขาเรียกว่าอยู่แบบสุกโตคือรู้จักแนวทางที่ดีแล้วเราเราก็ไปสู่อนาคตคือสุกโตที่ดีต่อไปนะ่นเป็นลักษณะแบบนั้น แต่ก่อนนี้สมัยก่อนที่ผู้บรรยายเครื่ปฏิบัติใหม่ๆเนะี่ยเดินจงกรมนี่ร้องให้ร้องให้เลยไม่มีใครเข้ามาแยแไม่มีใครมาทําให้ให้โกรธให้เครื่อร้องให้ที่ก็เรียกว่าปีติตที่ได้พบแนวทางพระพุทธองค์เกิดปีต<ป>ิยินดีตั้งตาไหลสาอาที่ที่จิต ด, ดวงนี้สามารถจะรู้จัพกพระคุณของคุณพ่อคุณแม่พระคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ อานิสง์ที่กราบไหว้บูชาพระพุทธรรมพระสงฆ์คุปิาดามดาหมายใช้นี้ก็ได้ได้เจอขำเที่ยงคือได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้ภาวนาได้รู้อะไรต่ออะไรอีกมากมายหลายกอในสิ่งที่ที่ตัวเองอยู่ตรงนี้ในสมัยเมื่อสองพันห้าร้อยสองห้าร้ยเก้าห้ารอยสิบปฏิบัติธรรมอยู่ ที่จริงมาเปิดสอนธรรมตรงนี้ก็สมัยเมื่อ2512เขาไม่ขีดปีก็มาสอนกันแล้วก็ <c oughs> สอนเรื่อยๆมากระทั่งเนี่ย2400 2545ปีสอนให้สอนให้รู้จักธรรมและรู้จักกลับกันเอาละ30นาทีตามสัญญาทำนี่เรียสัญญาธรทำนาฬิกาตีเป้เลยถือว่าถึงสัญญาธรรมแล้ว เราเขเลิกได้แต่ถ้าเราถวายขจาว่าพเขเจ้าจะนั่งสมาธิสามสิบนาทีหรือ ว, ว่าสิบนาทีถ้ายังไม่ถึงสัญญาอย่าเลิกถอะนะถ้าเลิก เ, เกรีรเกเยกผิดสัญญาผมว่าเราถวายขจาว่านั่งสมาธิสิบนาทีนั่งในห้านาทีเลิกเนี่ยเรียกผิดสัญญาแต่ถ้าถึงสิบนาทีแปลว่าถึงสัญญาเหมือนกับเราอบอกตะกรีว่าเออเรานั่งสมาธิเป็นทั้งสามสิบนาทีนะอะไรพอในการตีเป๊ะเนี่ยถือว่าถึงสัญญา อ่าละเราก็เลือกได้ถ้าเรือกมันไม่ผิดความคิดไม่ผิดคำพูดไม่ผิดการอธิษฐานไม่ผิดเลยก็นานหลายวันหลายอาทิตย์ก็จะได้ลงมาบรรยายธรรมก็่าจะโดมาย้ําเพือนกันนะจริงจริงเรื่องของเรื่องของสิ่งนี้เขาเขาไม่ใช่ไม่จะต้องพูดกันทุกวันครับจริงจริงเถอ ลุอองอามาดูมาบางทีก็มีเทปเปิดนะเปิดให้ฟังแต่ว่าบางคนก็บอกเทปก็ทุเสียงอาไม่ได้หรอกว่าก็ม า, ามเสียงเดียวกันจะไปเอาอย่างไงเสียงในเทปกับเสียงลงุงอาไอตงนี้ก็เสียงลงุอาแต่ว่าเสียงในเทปมันอาจจะมากมายอาจจะหลายเวลาหลายเดือนหลายปีที่อัดๆกันไหมเนี่ย นี่ถ้าอัดเทพกันไว้ตั้งแต่บรรยายทาตั้งแต่สอง2ห้ารอยสิบสองมาถึงป่านนี้นะโหรถสิบรอบรรทุกไม่หมดทท่านั้นเนี่ยเทพน่ะนี่มาอาัดคมาตอน ป, ปลายเนี่ย ต, ต้นไม่เคยอัดอะไรกันไว้เลยแต่จริงจุดหมายไปทางขอ ง, ของนวาคืออยากเรือเฟื้ อ, อคื อ, ค, อคือตั้งใจอธิษฐานไว้ว่าชีวิตเนี่ยนะ จะช่วยเหลือส่งเสริมแล้วก็แม่งปันช่วยเหลือก็หมายว่าจะช่วยให้คนรู้จักธรรมและรู้จักกรรมส่งเสริมให้คนเรามีธรรมลดละกรับขึ้นแล้วก็แม่งปันเรื่องเถรเรื่องเรื่องอ่อะไรสติปัญญาความเข้าใจซึ่งกันและกัน แตามหลักก็คือหนึ่งให้ความรู้สองให้เหตุผลสามให้แนวทางเขาเรียกแบ่งปันถ้าไม่แบ่งปันขึ้นได้สมัยก่อนไม่คิดแบ่งปันกันเลยนะแหมรู้คนเดียวอยู่คนเดียวเงียบอยู่นั่นแหะไม่บอกใครเลยนะหนีไปเลยโน่นหนีไปอยู่โน่นแถวๆกับเก็บิดผม่าเขาเรียกว่า ถ้าแถวอเอจังหวัดชุมงใมแต่แถวแถวพม่าไปไปทางเราก็เรียกว่าขุนเขาไปทางติดต่อระห ว, ว่างเขตอำเภอฝางไปนั่งอิน อ, อกอินาจอยู่คนเดียวอยู่ในถ้ำม็ไไม่บอกใครเลยไม่สอนใครทั้งหมดนะถือจะรู้คนเดียวไปคนเดียวอ้ายเหตุที่มาอยู่ตรงนี้กับเราว่ามันมีเหตุจึงต้องมาตรงนี้ คือคือคือตั้งใจไว้ว่าว่าจะว่าจะวางอังฐานจนตรงนั้นจนตายคือไม่ออกมาอีกแล้วกินอยู่หลับนอนไม่สําคัญคือเขาเรียกว่าไม่แสวงหารุ่มหลังมาตั้งที่ใจจะตายที่ไหนก็ช่างมันมีกินไม่มีกไม่สนใจนั่งเงียบอยู่ในถ้ำนะั่นก็ตั้งอุทธรานไว้ว่าถ้าไม่มีใครมาเจอะมาเจ อ, เจอและอาละนาจะไม่กลับ แน่ใจนะนั่งอยู่ตรงนั้นสิบห้าวันสิบห้าคื น, นฉันแข่งน้ำคางคือน้ําที่มันตกจากหน้าผาเอาเอาเอาใบไม้มไปลองทำกลวยแล้วก็ลองขันน้ำตรงนั้นเนี้ยถามว่ า, าหิวไหมบอกไม่ถูกว่าหิวแต่มันเพรียก็สึกว่าเพรียวคือร่างกายจะอ่อนลงไปอ่อนลงไปเ้าเรียกขาดขาดกําลัง แต่ก็ไม่ไม่ไม่ไม่วิตกกังวลไม่เคยกลัวจะตายตรงนี้ก็ยินดีเพราะเรามาตรงนี้แล้วเราเราอยากจะไปแล้วเราอยากจะไปอยู่ในสิ่งที่เราเราพบเราเห็นของเราคือไม่บอกไม่กระหายทั้งหมดก็แหมถึงข่าวที่จะมีเบรดีกรรมมาองเบรห้องกรรมมาบุดนวายอยู่ตรงนี้ส่งไปเจอกับนานาทิชก มาเจอคนที่สอนได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรประเภทอย่างเงี้ยก็มีในพาร์ทคนหนึ่งวันหนึ่งในพานคนนั้นเข้าไปยังไงเขาว่ายู่ถือปืนเข้าไปนะเขาไปยิงที่หน้าข้ามมนะันมีพวกชันมีบ้างมีลิงบงันะ่งที่อยู่แนละ้มีทั้งเสือมีทั้งชนันมะีมีทั้งอา่าหมีงัวป่าที่เคยเจออยู่ในนั้นนะ่ะมีทุกอย่างเลย ถ้ากนะีเก่งวางอะไรมีทั้งนั้นมันเป็นเป็นขุนเขาแต่มันแต่เราก็อยู่คนละเขตคือคือเราอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างล่างเสือมันมานั่งดูลุงอาอาบน้ํานะแล้วเขเห็นมั น, นนะเอ๊ะมันจะกินเราเปล่าเนี่ย <c oughs> อ้ากินก็กิน ก, ถก็ถืถอก็แต่เราเห็นคสอนพระเจ้าว่าแม้แต่พระเจ้าก็ยงผลักขีตนี้ให้แก่แม่รูกก่อนอ้าถ้าจะกินก็ถึงจะกินก็กิน ถ้าคิดว่าะทิว่าอก่อนเนื้อเน้อยนีย่เป็นอาหาร้องเคยก็กินเลยฉันไม่โสดไม่เลือนฉันไม่ว่างฉันไม่หนีก็าอาบน้ำอยู่ตรงนั้นแหละพอเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเทียบร้อยก็เหนื่อมาเสื้อหายท้นไหนก็เป็นรูอ่าน้นมันคงแค่เห็นแล้วเป็นตัวอะไร <c oughs> ไม่กินหรือดอกก็ได้ดีเหระ ถึงไม่ได้ไม่ได้กลัวเลยว่าตรงนั้นมันจะอันตรายอย่างไรสิงสาราสัตว์งูเงี้วเขี้ยวขอนมีท่านงูสัตพัดงูด้ยนั้นน่ะแต่ไม่ทำอะไรก็รับอยู่ตัางคนต่างอยู่เพราะเราไม่ได้ไปคิดร้ายใครใครเขาก็มีคิดร้ายเราอีกวันหนึ่งก็ในพรางคนนี้มาเจอแต่เช้าเลยเขากำลังยิงแล้วบอกอย่ายิงนะโยมเดี๋ยวบาทเห็นเขาก็ลังเกณฑ์ ง, งานใายฟืนแลอย่ายิงนะเขาก็หยุด เขาก็หาเสียงให้ใครเสียงใครพูดเขาก็หาจะไม่เห็นเพราะว่าฉันอยู่บนเชิงผามันเป็นท่ามเป็นเชิงนี่ก็เขาก็ยิงอีกเขาจะยิงอีกฉันบอกยิงดนะิ้นและโยบเดี๋ยวบาดนี่ฉานนั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่แงะเขาตรงนี้นี่นนเขาก็เลยเห็นเขาเลยเดินเข้ามาหาเราก็เลยเลยลงไปเขาก็เลยถามว่าโยมาทําอะไรในป่า บอกแม่ไม่น่าถามผมเลยว่าผมมาทำอะไรผมก็ถือปืนมาผมจะมาลาา่าตัดกรอสีแล้วก็เลยเข า, าเลยถามหลวงอาว่ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่บอกว่าก็นานแล้วละเป็นสิบวันสิบวันกว่าแล้วแล้วถ้าคุณเจ้าอยู่ตรงนี้ฉันที่ไหนเนี่ยผมไม่เห็นมีบ้านมีช่องอะไรเลยแลก็ไม่มีไม่มีฉันเพราะว่ า, า ม, มีบ้านก็ไ ม, ม่ก็ไม่ได้ฉัน สารตะน้ําที่มันโจนลงมาอ่ะอือหึเขาอยู่ตรงนี้ถ้าท่านไม่มีอาหารเนี่ยผมว่าท่านตายนะว่ากันเลยไอ้เราก็กลัวโอกเจะมีมนน้ำแบบใจเส้นตับตับตับับกลวเขจะมีมนนะพวกีิสัยคาพูดที่เราอธิษฐานเลยเขาไปเกิดขึ้นกับจิตเขาเลยเขาบอกผมขอนมนุโัตนาพรคุณเจ้าออกไปท่านนอกประจำภาษาข้างนอกโอ้โหใจใจตกเลย อขอคันลักนาเนื่เพราะเราต้องไปตามสัญญาที่เขาที่เราอาธิษฐานไว้ถ้ามีใครในมนูลเราจะออกไปก็เลยั้งออกมาแต่มันมีเรื่องที่สะา้านมาก ท, ที่ที่เาราอันตอนนี้คือคือจบเล็กๆน้อยๆมาให้เาให้ฟังว่าเออสาเหตุที่ไม่อยู่ตรงนี้มาเพราะอะไรไม่ใช่หวั ง, งดีวงดวงหวังเด่นหวังไอ้นนไอ้ดีไอ้ดีไอ้นั่น หวังอยากเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยต้องการเงินทองเข้าของเกิดเยอะเลยไม่ใช่หรอกถ้าใครคิดว่าผู้บรรยายต้องการตรงนั้นแล้วก็ผิดเลยเพราะเราผู้บรรยายไม่ต้องการนะต้องการมาแบบแล้วมาช่วยเหลือส่งเสริมแล้วก็แบ่งปั น, นถ้าใครทําดีนะก็จะจะ่จะก็จะโบธนาด้วยถ้าใครไม่รู้ก็จะสอนให้รู้ ถ้าผิดแล้วไม่จดจําก็จะก็จะปล่อยแหละคือปล่อยให้เป็นเ้าเรียกว่าอะไรต่อยให้เป็นเหยี่ยวของปู่ฝ่าไปอบเพียงนั้นถ้าใครเชื่อใครเชื่อในคําสอนพระศาสดาแล้วก็โมทนาแก่บุบคคลนั้นอะไรอย่างนีน้ไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังเกียรติยศเสื่อเสียงหรือเข้าของเงินทองทหรือไม่จะมาทําให้ใครเสียหงเสียหายไม่ใช่ต้องการอยากให้ให้ทุกคนรู้จักว่าอารมณ์ของกรรมและประตูกระทำของเธอของเราเหมือนเป็นอย่างไร ทำไมพระเจ้ชชาท่านถึนหนีไปท้านดีท่านคงไม่หนีอารมณ์โทสะธรรมไป <G ül üyor> มหร อ, อ, ห <G ül üyor> อกท่ า, านก็อยู่ในเมืองในวังใหญ่โตมาโห้ลานแค่ไหนท่านมีอยู่มีกินสบายเท่าไหนท่านยังหนีไปอยู่ในดงในป่าเพราะอะไรท่านเห็นว่าเอออารมณ์รกรรมโทสะธรรมไม่เที่ยงท่านก็เลยหนีหนีออกจากเมืองจากวังไปบำเพ็ญกระทั่งได้สาเร็จสักโคทิยานได้สํเสเสยายสเร็จตามตามที่ท่านปฏิษฐาน ถ้าเรียกว่าหนีหนีเกิดแก่เจ็บตายอะไรประเภทย่านีเพราะฉะนั้นที่ที่บรรยายฟั่งเ่อร์อ่ากี้เนี่ยก็ขยอย่อแล้วก็ไปคิดให้ได้ให้ได้สาระให้ได้ประโยชน์แล้วก็คับขึ้นเเรียกแบบทามไม่ทาไปาาปลายหัวทำปลายหที่นี่หมายว่าไม่หากกำรรคือทำนี้ไม่ได้ชี้ให้เราไปสร้างกำเลยแม้แต่นิดเดียวแต่อยากให้สร้างกำ ไหนขยันนอนเพียงคนนั้นก็จะมีความขึ้นอย่าง น, น้อยในชีวิตละแปดสิบปีนะเอาละเดินก็ไปถึงไม่ถึงก็ไม่รู้ละแปดสิบปีเดิมคันกันว่าจะไปดีหรือไม่ดีคือคื อ, ค, อ, ค, อคือดีนต า, าเขาเคยบอกมาผู้บรรยายว่าชีวิตของเจ้าทเท่าของฉันหลายความในจิตของเธอนะแต่ร่างกายนี้ของฉันอย่าโกงกันนะก็จริงใช่ไหมวันหนึ่งเราก็ต้อง ชีวิตเราเขาต้องเป็นทีเท่าแต่เนียนจิตมันก็ไปถูกคุ้มห่อด้วยความดีความชั่วไปแต่สังขารนี้ก็คือทีเท่าดินน้ำลมไฟอตราธาตุดินญาณธาตุาก็แตกแยกกัน่าจะจะเรียกว่าของเราได้อย่ังไงเพราะฉะนั้นทินต่างก็เคยบอกมุนยานว่าชีวิตวของเจ้าทีเท่าของฉันจำไว้อย่ากโกงกันนะเธออาศัยเธอเธออาศัยทีเท่าของฉันก็ทําไป ในเมื่อเธอยังมีดินก็ยังใช้ดินให้เป็นประโยชน์คือหมายควาว่าร่างกายเราเนี่ยเดินจนกลมเยอะๆนั่นแหละดินต่อดินได้สัมผักกันดูที่พระเจ้าท่านเดินบนดินนะทําไมขึ้นเขานิพพานให้เราเดินอยู่บนบนบนที่ดีๆ ท, ทําไมถึงตกบโลกพระเจ้านอนก็ดินนอนก็ไใบไม้ทมําไมเข้านิพพานให้เรานอนบนฟู้บนแอทําไมตกบโลกถ้าเราไปโกงอ่าไปโกงคิดข่าเนขึ้นเขาเรียกว่าอสมีมรณะถึงตัว ต, ว ต, วตนในประเทศเอง จะมีหลายเรื aux, ่องหลายราวที่ผู้บรรยายเคยเป็นประสบพบเห็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไม่เคยพบก็ได้พบไม่เคยได้ยินก็ได้ยินไม่เคยเข้าใจก็เข้าใจก็นานๆก็ลงมาคุยทันทีหนึ่งมาย้ำเสอนเดินทางศึกษาปฏิบัติธรรมกันไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าสองวลงสามวันลงเจ็ดวันลงพรานานๆก็ลงมาที่ทีหนึ่งมาย้นอนเสี่ยกัน อ, อนอะไรต่ออะไรเหมือนกับแบาคำต้นที่เคยปรากว่าถึงข่าป่าช้าสามคองติดสุรางขนาดสมัยเราเรามาศึกษาศาสนาได้าถามตัวเองหรือยังว่าตัวเองเีอะไรตัวเองเป็นอะไรพระเจ้าเป็นอะไรเราเป็นอะไรถ้าถามหรืยังเราเป็นคนมีกรรมนะพระเจ้ามีธรรมนะเนี่ยเขาเรียกถึงข่าป่าช้าสาม ก็คือคือคือให้เข้าใจว่าชีวิตเรามีกรรมเราต้องเึ่งผู้มีธรรมพระพุทธ อ, องค์เมื่อพระพุทธองค์ท่านสอนให้เรารู้จักกรรมแนละ้วท่านมีธรรมแล้วก็พยายามดำเนินตามกรรมเขาเรียกว่าจิตสุรานาก็คือหมันขยันในการเดินตรงกรมนั่งสมาธิยืนภาวนาสวดบนต์ไหว้พระลดการนิสัยนะเขาเรียกจิตสุรานาคบางคนที่ทําอยู่ในทั้งสองประการนี้เขากว่าเ ย, ยี่ยนหยางมข้าศาาัตรูขันย่ยอ พอได้ใจความถ้าเรามาในวัดคือเข้ามาตรงนี้แล้วเราไม่ถามว่าตัวเองมีวรมีกรรมหรือ่ายแล้วก็ขอที่เราไหว้ทุกวันทุกวันนะี่เป็นใครเราอาจจะไม่เสร็จไม่เกิดจิตสำนึกเลยว่าองค์พระปฏิมากอ่อที่ที่ทิ่สถิตอยู่ในโต้นี้ก็คือตัวแทนแห่งองค์พระศาสดาเมื่ออดีตการที่แล้วพูดถึงอ ด, ดีผู้บรรยายจะพูดให้ความถึงเรื่องหนึ่งสมัยที่ปฏิบัติธรรม ใหม่ๆนะมีเสียงเกิดขึ้นา่าของจริงเกิดขึ้นแก่ไร ท, ที่ไหนกันทั่งมีเหตุผลเป็นอย่างไรผมกงโกตัวพระถังเกา่าแม่ผู้ปฏิบัติกเหมือนเหมือนคนถูกตบหน้าเลยคือไม่รู้อะไรเลยที่เขารารรอ่นมาเพราะเราเหมือนเด็กคือคืออยู่ในในในในชั้นที่เราังศึกษาอยู่ พดจากนั้นเพ้าปารลพิชานเราก็เหมือนคอนเซอร์ไปเลยก็ลเลยถามว่าสิ่งที่ปารลบออกมาคืออะไรเขาก็เลยบรรยายให้ฟังเลยว่าของจริงคือองค์พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแก่ใครเกิดขึ้นแก่องค์พระสิทธิช akra สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียกขบอกไปทวโลเลยไม่ใช่เกิดขึ้นแก่คนไทยคนลาวคนกัมเบงคนฝรั่ง หรือคนมอนคนพีนอะไรเขาบอกว่าเกิดขึ้นแก่บองค์พระสิทธิ์ธรมากับพระเจ้าที่ประเทศจินดีอ่ะนี่เขาบอกว่าอของที่เกิดขึ้นกับใครที่ไหนกันเพิ่งมีเหตุผลหมายความว่าศึกษาเรื่องคําสอนพระศาสดาเกี่ยวกับเรื่องของกรรมและธรรมให้มีเหตุผลให้เราเพิ่งมีเหตุผล คนโล่หมายความว่าปัจจุบันเนี่ยปริญญาหรือความรู้เหล่านั้นเป็นโมฆะคือหมายความว่ารู้แล้วไม่ทำอะไรกันเลยถ้าอยากกระลาดไปดูเยี่ยนอยากก่างประกาสดาเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีที่แล้วเขาชี้เป็นโน่เลยให้ผู้บรรยายเห็นผู้ชาก็ตาตื่นเลยเหมือนคนเหมือนค น, อ, น, นคอ่านหนังสือทึ้นหอนุนะ่งกุ้นั่นแะ ตาตื่นเลยโหตายแล้วนี่เราก็มาถ้าเราไม่ได้ตรงนี้นะเราก็คงจะเหมือนกับชาทั้งหลายที่เกิดเกิดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพอบวชไปนอนนานก็นอนแล้วเขียนไใ้โน้เขียนไใ้นี่เขียนยนันเขียนทำคความครอ ง, งของขังกระตุ้ภา ย, ยานหมอดูอะไรต่ออะไรให้เขาไปเลื่อยคืนเลยทีนเนี่ยถ้าเราไม่มีคติตรงนี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าให้การพักทวง อ้โหเหมือนพวกบรร ญ, ญาเหมือนอ่านหนังสือทั้งพอนุพูนหรือตาโตเลยทีนี้เองน่รีวายเลยขอเรื่องราวเก่าๆให้เกิดขึ้นขอดินปากาศทรงเมตต า, ารุณาให้แก่เด็กน้อยผู้นั่งเบื่อขอาขอาความรุณาให้บรารมีให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นอดีตเหล่านั้นเขาก็เลย เสร็จแล้วพอเร า, า, าอธิษฐานหนึ่งวนะันกลายเป็นคน ข, ขาวขา ว, ขาวตัวขาวนี่ก็ตำลีนะตัวก็เป็นทองเลยนะเครื่องลงผมนี่ขาก็ะอา น, นั่งอยู่ท่าท่กากลาอากาศเราก็เห็นแล้ว่าที่ใครแล้วก็บอกเข้ามาใกล้ๆหน่อยพี่เขาบอกไม่ได้อ่ะสิ้นใจของเธอยังรุนแรงเข้าใกล้ไม่ได้เธอยังบีกตันยังไม่ถึงเวลาเข้าใกล้ อ ย, อยู่แค่นี้ก็ดีแล้วแล้วจะสอนให้นะเสร็จแล้วก็มีอะไรสัญญองสัญญากับผู้บรรยายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยวนะ่าจ ะ, ะเป็นรูปพัฒนาเขาจะต้องทอํายังไงถ้าถ้าเรารู้เราเข้าใจเราจะต้องทายัางไงนะถ้าเราไปสอนทํากับบุคคลต่างๆเราจะต้องทอํายังไงถ้าเราจะเป็นรูปพัฒนาาผู้แทนในองค์พระผู้พาเนี่ยจะทํายังไงโอ้โหมีมากมายแต่สรุปผลแล้วก็คือ เป็นลูกสอนชี้ชัดมหาถึงก็ะแสจิตเลยว่าสอนสีสันทะถ้าถ้าถ้าทำดีตอนนี้จะสู่สวรรค์นิพพานถ้าทำไม่ดีตอนนี้จะปักอกสู่นรกเอเวชีส ก, กาศเลยเลยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ในภูมิปัญญายังไม่ลืมเลยอะไม่ลืมความทรงจำกับสิ่งที่เด็กพบ นีจิตเป็นนักอยู่เสมอว่าเออเราเหมือนที่ศุกใหม่ที่เรังบวชมาถึงแม้จะบวชมาสามสิบกว่าปรรษาแล้วก็เหมือนจะบวชมาเสจ็ดวันข้าวมันยังจะต้องเป็นผู้ขอนิสัยต้องมันสวดมนต์ไหวพระภาวนารสชาตินิสัยไปอะไรก็พกล่าวก็เป็นสาหขับกันขึ้นผมบอกว่ามากมายสิ่งที่เกิดขึ้นในในธรรมโลกุตระเนี่ยคือคมันเกิดขึ้นเยอะแยะหมดแต่มนัยตอนนี้ของมนัยไม่ไหว เกบรรยายขุดข้อขุกข้อที่พอจะรู้พอเข้าใจแต่เรื่องที่มันเป็นสาระอแล้วนะพอสมควรแก่การให้้อคิดข้อพิจรารณากันนะอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติภายในวัานของเรานะก็เล็กๆน้อยๆข้อวัดปฏิบัติที่เคยบอกว่าเราจะต้องสวดวนไม่พลาดน้ำยังไงยังไงก็ทาให้เหมือนเดิมนะส อ, องทุ่มถึงสี่ทุ่ ม, มอะไรทุนนี้เราไม่พูดก็ไม่พูดกันนะอย่าไปอย่าไปละเมิดข้อวัดปฏิบัติ รือสองทุบหลวงศีทุบในขอปินท่าบาทให้หยุดวาจาผิดวาจาก็ได้เป็นพระเตมีการสร้างบารมีโดยการไม่พูดถ้าจำเป็นจริงๆก็พูดได้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าพูดเป็นการสร้างบารมีให้แก่กระแสจิตตรงนีนะ้แล้วก็ <c oughs> <c oughs> บนโบสถนะนะต่อไปพระที่พระที่มีหน้าที่ปฏิสันฐาน พระคดีุบาสุกบาติกามมาอยู่ในวัดคดีบอกด้วยว่าพระอาบนโบเนี่ยขึ้นได้เฉพาะโยมผู้หญิงแค่แต่สองทุ่มเป็นต้นไปโยมผู้ชายห้ามขึ้นที่สุดสามเณรก็ห้ามขึ้นไม่ใช่ถิ่นของผู้ผู้ผู้ชายว่าไงเด้อให้แต่โยมผู้หญิงขึ้นสําหรับตัวโบสถ์ตอนกลคืนสองทุ่มถึงสี่ทุมโยมผู้ชายอย่าขึ้นไปนะแล้วก็พระคดิสันฐานบอกทุกทรั้งที่โยมมาอยู่วัด ถ้าบางครังไปเจอโยมผู้ชายไปเก็บกระหูข้างบนแล้วก็มีข้อห้ามอยู่ข้อันึงก็คือถ้าไม่อยากให้พระเนรไม่ชี้ยะโยมมาวุ่นวายหน้าวัดเพรารานี้พระก็ลังเพ่งเบงบุคคลที่ทำไม่ดีก็คือบริเวณตั้งแต่ลานทําออกไปถึงหน้าวัดเนี่ยห้ามออกไปเด็กตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปจน แต่ถ้าจะเดินขึ้นไปบนวนคลนโพลนเนี่ยไปปฏิบัติธรรมบนคนโกันไปได้แต่อย่าทะลุออกไปหน้าวัดตั้งแต่หกโมงหกโมงเย็นถึงสิบโมงเช้าจำไห้ด้วยนะเพื่อรักษาความสงบกันแล้วจาพู้ปฏิสันทารก็บอกแบบญาติโยมผู้หญิงโยมผู้ชายมาอยู่วัดอะไรเงี้ยว่าเออที่วัดนี้เขาห้ามนะ ว่ามีข้อว่าปฏิบัติอะไรบ้างก็บอกบอกโยมบ้างโดยจะได้รู้บางทีโยมถามว่าโยมไม่รู้อย่างนี้ทำอย่านี้ยอกไม่รู้ไม่มีใครบอกบเป็นอย่างนั้นก็อีสิเราจะมีกิจวัตรสำหรับสาหรับหมู่คณะเรียกว่าความสามาัคคีเราจะเห็นความพร้อมเทียงความสามาัคคีกันเดือนละหนึ่งครั้ ง, งต้นต้นเดือนของเดือนหมายความว่าหมายควาว่า เดนนี้จะเช้นในวันนี้ยิบเก้าละพายสิบเก้าสามสิบสามนที่หนึ่งในว่าต้นเดือนของเดือนเราจะทำความสะอาดหน้าวัดและสวนสวนหลังโบสถ์เป็นการสา ม, มัคคีปลองเราทั้งสระนทั้ ง, ททง ส, ะงสะระกระดีมมชีกระดีบาศกบฏิการก็ไปร่วมมือทำความสะอาดเ้าเรียกว่าอะไรกั้นอยู่ต่อสถานที่ เธอเป็นเอกป่าก า, ารทำสะอาดสวนหย่อมก็ดีแล้วก็ปาก่าสวนก็ดีอ่าสวนอทพิกลก็ดีนะสามที่เนี่ยเดือนนึงเราจะทําป็นครั้งนึงเราคงไม่ต้องประกาศนะว่าเออวันนี้ขอแรงนะอย่างนั้นอย่างนี้นะผงไม่ต้องพอวันที่หนึ่งครเราจะพร้อมมาเลยหลังจากขันเทนะ้าเสร็จที่นาวัดเราก็จะไปทำความสะอาดกันที่ตัดหญ้าบ้างตัดต้นไม้บ้าง เก็บใบไม้อะไรตะไรจริงเกินอะไรบริเวณหน้ารั้วข้งเราให้สะอาดเขาเรียกว่าปันอยู่ตัดสถานที่เพื่อบุคคลที่เข้ามาขับอาศัยเส้นแบ่งโยงเข้ามาขับรถมาเหนื่อยแวะพมาจอดรถเห็นเออตรงนี้สะอาดดีหน้า น, านอนน่าพักผ่อนเราได้บุญการทาความสะอาดบัดนี่มีมีพระเถระองค์หนึ่ง อุออบัติคือมาเป็นเ้าเรียกว่าพันานาพรเศียที่มีปัญญามากที่สุดรองจฐฐากพระสารีบุตรเลยแต่ไม่ใช่ชาตินั้นอกชาติคืออิชาติอิชาติที่ท่านท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ธรมรมดาเนี่ยถ้าเป็นคนที่งโง่มากเลยคืออะไรพระเจ้าสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเลยทั้งหมดพระเจ้าเห็นนี้คนนี้จะต้อง ต้องให้สร้างบารมอต้องให้การยู่สถานที่ก็เลยบอกคระามต่อไปนี้เธอมีหนะ้าที่กวาดวัดนะกวาดอย่างเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรอะ่ะสาวสายบ่ายเย็นมีเวลากวาดวัดกวาดไปแต่เท้าบ้างตอนเย็นบ้างอะไรเงี้ยพระามก็เชื่อพระเจ้าก็ ก, ก, กวาดอยู่นั้นแหละแต่ว่าพระเจ้าก็บอกว่าบอกกับพระามว่ากวาดวัดทุกครั้งเธออธิษฐานนะเกิดอชาติหน้ า, าขอให้มีปัญญา อันนี้ชาวคนนี้นก็เชื่อก่ออธิษฐานขวัดวาดกขอให้มีปัญญาเหมือนใบไม้ที่ตกลงมาโอ้โหีกชาติหนึ่งพระนาคเกษมเกิดเป็ น, นพระนาคเกษมพระรหันองค์สุดท้ายของพระศาสนามีปัญญายิ่งหยวดฝ้าอันสงที่กวาดวัดเนี่ยเ ห, หมือนเล่าแต่เราอย่าไปกวาดเทโยท ย, ยานนะ กว่าไปเรื่อยๆไปพยายามมีปัญญาอะไรงี้ยไปแต่งการว่าไปเรื่อยๆูหรือคขาเรียกว่าที่มาของเหตุอะไรอย่างเง้นที่มาของเหตุนลพระพเจ้าจึงยกจงเอาไว้ตัวนี้ว่ากัตันดูสามข้อหนึ่งกัตันดูสถานที่สองกัตันดูหมู่พันธะเมตตาเมตต า, ากรุณาให้อภัยซึ่งกักกนและกันนี่จาเรียกว่าหูพันนะ แล้วประกันอยู่ต่อถึงสักศิษ์ก็คือปุประธรรประสงค์ุติจามันดายกความกระกันอยู่ไว้สามข้อถ้าใครทำได้อย่างนี้ี่อยู่จะอยู่ตรงไหนคนนั้นก็จะจะมีแต่ความสุขสบาเยเลยในะวันที่หนึ่งของเดือนทุกเดือนนะต่อไปนี้นะเราจะพบ ก, กันที่หน้าวัดทรามสามสะอาน